والخامسة إن لعنت الله <ت ص في ق> إن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين <ت ص في ق> وَيَدْرَوْهُ أ َ ن ا تَشْهَدَ أَرْبَعَ ش َ ه ا د َ ا ت ٍ ب ِ ا ل ل َ ه الخامسة أن غ ض بالله عليها إن كان من الصادقين. ولو لفضل ا الله عليكم ورحمته ورحمته وأن الله ت و ا ض الذين جاءوا ب ا ل إ ف ك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم. ا ل ي من منهم مات بسبب من الإثم. والذي توالكبره منهم له عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. อินนัลฮะมดุลิลลอฮ์นะฮ์มดุห์ وناستعينه وناستغفرو ونعوذ بالله من شرور أ ن ف س ن ومن س ي ا ت أ م ا ن ا ما يهدي الله فلا مضلله وَمَن ي ض َ ف َ ل َ ه َ ا ذ َِ ل ه ُ وَأَشَدُّ ا ل ل َّ ه ل َ ه ً ا, إ لَلَّهُ و َ ح ْ د َ لَا ش َ ر ِ ي َ لَهُ و َ أ َ ش َ د ُ أَنَّ َ م َّ د ع َ ه و َ ر َ ل ُ ه ُ اللَّهُمَّ ْ ب َ ح ْ ن ا و َ ب ِ ك َ أ َ م ْ س َ ا ئ ن َ و َ ب ِ ك َ ن َ ح ِ ي َ و َ ب ِ ك َ ن َ م ُ و ت ُ و َ إ ِ ل َ ي ْ ك َ ن ُ ش ُ و ر أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ب ِ س ْ م ِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَسْمِهِ ش َ ي ْ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ا ل س َّ م َ ا و َ ا ت و َ و س َ م ِ ي الْعَلِيمُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّ وَبِالْإِسْلَامِ د ِ ي ن ا وَبِمُحَمَّدٍ ا ل ر َ س ُ و ل ا Allahumma inni a'uzu bi kamil al kasal wa suil k i b i ربي أَعْمُزُ بِكَمِنْ عَذَابِمْ فِي النَّارِ وَعَذَابِمْ فِي الْقَبْرِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมจะมาสุบะที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ก่อนอื่นเราต้องน้อมรับนะครับคสั่งของอัลลอฮ์ แล้วก็ขอบคุณอัลลอ์ให้กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาะแปะว่าการสรนเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอ์เป็นศัพท์ที่ดีที่สุดซึ่งศัพท์คำนี้เนี่ยท่านนบีบรรดาซอบานนบีอลอ์มาทั้งโลกเนี่ยเขากล่าวกันแล้วเราก็กล่าวคำนี้ด้วยอัลฮัมดุลิลลาะอัลฮัมดุลิลลาที่เราได้ถือซึ่งอดนะครับ วันนี้เป็นวันที่ที่เท่าไรเจ็ดหรือแปดแปดใช่ไหมทำดีดีเราได้นอนหลับไปเมื่อคืนนี้ได้ตื่นขึ้นมาทานซะฮุดแล้วก็ได้อ่านอัลกุรอานแล้วก็ได้มานามาตอัลบุบต อ, อกนกลางคืนก็นามาตตเราวีแล้วนามาตวิเต ต้องกลาว่าอัลกุลอานดูแลอัลลอ์ให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้ทบทวนอัลกุรอานนี่บางคนนี่ได้ครึ่งเล่มแล้วก็มีบางคนจบมาแล้วหนึ่งจบก็มีช่วงหกเจ็ดวันมีไหมมีครับขอบคุณอัลลอ์ที่เราได้มีโอกาสนะครับได้มานั่งอยู่ที่บ้านของอัลลอ์แล้วก็ทบทวนอัลกุรอาน วันนี้ทบทวนอัลกุรอานมาถึงสุราอันนูร์สุราอันนูรเนี่ยเป็นสุราที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งหมดเลยถึงท่านไซนาอุมัดซึ่งเป็นคอลิฟฟ้าคนที่สามคนที่สองนะครับหลังจากท่านอบูบักรรดิยอลวานผูเป็นคอลิฟฟ้าอยู่สิบสองปีท่านเขียนจดหมายถึง ข้าราชการที่เป็นมุสลิมทั้งหมดเนี่ยวันนั้นเนี่ยบอกให้สามีเนี่ยบอกภรรยาให้อ่านอัลลิมูนิสาอะกุ่มสุรตันูดบอกให้สามีนี่บอกภรรยาบอกให้อ่านสุร้อนี้เยอะๆให้พวกมุสลิม่าผู้หญิงอ่ที่เป็นภรรยาเป็นลูกสาวเนี่ยอ่านสุร้อนี้คําสั่งอันนี้ถึงจะผ่านมาแล้วพันกว่าปีนะ แต่ยังถูกสั่งให้คนที่เป็นบ้านมุสลิมนี่ยนะครับจะเป็นภรรยาใครก็ตามพยายามอ่านสุรนี้พร้อมกับรู้ความหมายพอสุรนี้พูดเรื่องเรื่องของเรื่องทรลายกันเรื่องทาลายกันเรื่องปัก ป, ปรับปรำกันเรื่องใส่ร้ายกันอยู่ในสุรนี้เยอะมากดังนั้นแต่หากมุสลิมมาเราเนี่ยผู้หญิงเนี่ยออกห่างจากเรื่องเหล่านี้นะ นาก็เป็นชาวสวรรค์นะครับ <c oughs> วันนี้เรามาทบทวนกุรานอายะที่อายะที่เจ็ดนะครับทั้งหมดเป็นห้าอายะเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับ <c oughs> ก่อนที่จะอ่านอายะที่เจ็ดขอทบทวนอายะที่หกถ้าอย่างนั้นไม่เข้าใจนะครับ <c oughs> อายะที่หเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาก็คือ و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ ي َ ر ُْ و ن َ أزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُل لَهُمْ ش ُ ه َ د َ ا ء إلَّا أ َ ن ف ُ س ُ ه ُ م ْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ อินนุ่ลไม่นศรัทธาอินวันละยินในยรูณอสวาเจหุมส่วนบรรดาผู้ที่ปรักปรำปรับปรำนะครับอสุวาเจหุมภรรยาของพวกเขาว่าทาชู้สามีเห็นภรรยาทาชู้เนี่ย ทำย <im itation> ังไงครับเห็นคนเดียวเพราะตามหลักกุรอานเนี่ยอธิบายว่าถ้าจะใส่ความว่าใครทําชูเนี่ยต้องเห็นจะจะกี่คนนะสี่คนเห็นสองคนก็พูดไม่ได้สามคนก็พูดไม่ได้นะครับต้องเห็นจริงๆกี่คนน่ะสี่คนทีนี้กุราน ต้องการจะอธิบายว่าวลามยักุลละหุมชูฮเาเาแต่พวกเขาไม่มีพยานสี่คนมายืนยันให้ทำไงนะอิลอาฟูซุหุมนอกจากตัวของเขาเองนอกจากสามีเห็นคนเดียวเนี่ยเราก็หาพยานไม่ได้ทำไงครับ เรื่องนี้เคยเกิดในสมัยท่านนาบีุลต่านมีอยู่ครอบครัวหนึ่งมาเล่าให้ น, นบีฟังว่าจะเห็นพระยาสานายอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งในบ้านเห็นจาจะแล้วก็หาพยานไม่ได้อัลลอฮ์ช่วยแก้ให้หน่อยอัลลอฮ์ก็ประทานคุณอ่านอันาานี้มาฟาชฮดตุอาฮะดิฮิมอารบะอูชาฮาติมบิลลา จงให้คนหนึ่งในผู้พวกเขาหมายถึงให้คนที่เห็นเนี่ยซึ่งเห็นคนเดียวเนี่ยนะให้การสาบานสี่ครั้งให้พูดสาบานงานนี่ไม่ใช่งานพวกเรานะเป็นงานของรัฐบาลนะครับให้สามีเนี่ยยืนพูดว่าฉันเห็น พยาของฉันอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งให้พูดอย่างนี้นะสี่ครั้งื่ยการสาบานต่ออัลลอะฺอินน ahu laminsa diqin แปลว่าเขาอยู่ในหมู่ผู้พูดจริงไม่จะพูดโกหกใส่ความให้พูดอย่างนี้นะสี่ครั้งนะครับเพราะว่าหาพยานไม่ได้เห็นคนเดียว อายะที่จ็ดวัลขามิสะตุอันละนัตัลลอฮ عليه إن كان من الكاذبين วัลขามิสะตุอันล ا น ل ตัลลอฮ عليه إن كان من الكاذبين พอมีทราบไปว่าครั้งที่ห้าตกลงกว่าสามบาลเนี่ยห้าครั้งแต่ครั้งที่ห้าเนี่ยพูดหนักกว่าครั้งที่แล้วพูดว่าไงอันน่ล ะ, ะลอันน่าตอรอให้เขากล่าวว่าอันน่ล ะ, ะลอันน่าอรอแท้จริงการสาบแช่งละนัดประวะการสาบแช่งหรืองดความเมตตา ให้สามีพูดครั้งที่ห้าเนี่ยขอให้อลัลลอฮ์งดความเมตตาแก่เขาอินกาณามินัลกาดิบินหากเขาเป็นผู้พูดโกหกหรือพูดเท็จสาบานสี่ครั้งแต่ครั้งที่ห้าเนี่ยให้พูดว่าถ้าหากพูดโกหกให้อลัลลอฮ์ สาบแช่ง้าล่องงดความเมตตานี่พูดต่อหน้าศาลเน่ยเรื่องหนักทั้งหมดไม่ใช่เรื่องเบาเรุนใหญ่ยายมากครับไปใส่ความภรรยาว่าทําชู้เนี่ยก็เรื่องหนักแล้วหาพยานก็หาไม่ได้วิธีก็คือให้สาบานต่อหน้าศาลสี่ครั้งพอครั้งที่ห้าเนี่ยสาบานว่าไงนะให้อลล่องลงโทษเขา แต่หากเขาพูดโกหกเมื่อสาบานเสร็จแล้วนะครับผู้หญิงคนนั้นก็ถูกลงโทษกระจายนะนี่วิธีการปรับปรำคนในอิสลามไม่ส่งเสริมไม่มีใครปรักปรำใครทั้งนั้นแหละพี่น้องเมื่อเห็นจริงๆแล้วหาพยานไม่ได้ก็ใช้วิธีนี้แหละวิธีการสาบานตนต่ออัลลอฮ์สี่ครั้ง และสาบานครั้งที่ห้าให้อาร้อนลองโทษเขาถ้าเขาพูดโกหก <c oughs> ทีนี้ในศาสนาอิสลามเนี่ย <c oughs> กฎอย่างนี้เนี่ยนะในสวนยายนี่นะครับเวลาลงโทษคนทำซุนนาเนี่ยลงโทษด้วยการหนึ่งให้เขี่ยนแต่าหาก็เป็นหนุม่มเป็นสาว ถ้าเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วให้ทำไรนะให้ขว้างด้วยหินจนตายการขว้างด้วยหินจนตายเนี่ยในกุรานไม่มีแต่อยู่ในหะดีษอยู่ในสุนนะแต่นี้การขว้างด้วยหินจนตายเนี่ยเรียกในภาษาฮะดีว่าอาร์โรจัมอาร์โจัมอัลรจั ม, จมแปลว่าคว้างด้วยหิน ไม่มีในการพิจารณาแต่มีอยู่ในสุนนะของท่านนาบีและคนที่นำเอำามาใช้ใครว่ามีลาบิฮีบ้าดรรสูลหลังจากนาบีทาแล้วบรรดาคนที่ปฏิบัติหลังจากนาบีก็มีโคิฟ้าอุลอิสลามคอลิฟา้าทั้งสี่คนท่านอบูบาการัรท่านอุมรัรท่านอาลีแล้วก็วัสวะฮาบะ บรรดาสาวบ้านนบีก็มีท่านยาบิรแวะอับูฮุไรรอวะบุไรดะอัลอัสลามีวะไซดฟเนาะาเลตก็ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดลลัไรฮุสันแลมทีนี้การคว้างจนตายแล้วก็รลือเขี้ยนโอยแปดสิบทีร้อยทีนายทัพซินอธิบายบอกว่าลาหัดะมันซานาฟิดาริลฮารบ การลงโทษโดยการเคี่ยนรอยทีหรือโบยรอยทีหรือว่าขว้างจนตายเนี่ยในประเทศที่มัใช่มุสลิมประเทศคู่สงครามก็ เ, เรียกว่าดารุฮัดเอามาใช้ไม่ได้ก็ถ้าจะใช้ก็ใช้ในประเทศอิสลามเท่านั้นเองที่มีกฎหมายอิสลามเข้าใจนะแต่ที่เราจะฉันใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยเนี่ยไอ้คนถามเนี่ย มีปัญหาแล้วไปเคียงเขาแจ้งของแจ้งความเอาเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่แต่อุลมามะคนนี้นำบาวลาฮัตจากมันซานาฟิดาดริฮาร์บีไม่มีการลงโทษแบบอิสลามเนี่ยนะประเทศคู่สงครามดารุลฮาร์บีเนี่ยเอามาทําไม่ได้ฉต่ด้านเมื่อทําไม่ได้เราก็ต้องบอกให้ลูกหลานเรานตระบาตัวต่อหรอกแล้วก็ดูแลลูกของเราไม่ให้ทําสียหน้า ดูแลหลานเราไมา่ทําดีนาก็ต้องพูดเรื่องดีนาในครอบครัวบ่อยๆอย่าดินานะอย่าทําบาปนะเพราะมันบาปใหญ่นะเราก็ทําเรื่องนิการเป็นเรื่องง่ายๆอย่าทําเป็นเรื่องยากเรื่องนิการนอะทาเป็นเรื่องง่ายๆใ น, นเมื่อ น, นิการมันง่ายดีนามันก็ยากถ้าเรื่องนิการมันเรื่องยากดีนามันก็ง่ายฉะนั้นเอาหลักการอิสลามมาใช้ บันราใช้ไม่ได้ทำเรื่องนิกายเป็นเรื่องยากอีกโอ้โหแต่นิกาที่ทั้งรอบมานหกเดือนแปเดือนปีนึงอ่ะเด็กมันทนไม่ไหวพ่อแม่ได้หน้าแขกมาเยอะมายใหญ่กระกระจัดแล้วก็ได้อะไรอ่ะได้หน้าอย่างเดียวลูกอึดอัดรอยอะปรึกษายอยอรออยหกเดือนรอมาอีกแปเดือน งานนีต้องงานใหญ่ลูกเราไม่คนเดียวเอาลอวางแผนกันใหญ่โตเลยลูกบนในใจว่าฉันอยู่ยังไงลละเนี่ยละครก็ดูทุกวันเฟซก็มาไลน์อีกโอ้โหเยอะเยะไปหมดเลยแทนต้องคิดเยอะเยอะไปนอนกับอย่าคิดเอาหน้าเลยคิดให้ลูกเราปลอดภัยจากการดีนาดีกว่าับเปนองทีนี้คนที่ใส่ความคนไปน้อง เสร็จแล้วก็จับได้ว่ากโกหกใส่ความคนไปน้องไ ด, ได้ทำลายคนนี้ทำลายคนนี้ได้แต่คนอีกคนที่ใส่ความคนนะพูดกโกหกนะระวังให้ดีนะพูดเกี่ยวกับโกหกนี่อันตรายแล้วไอ้คนที่ถูกเนี่ยถูกอะไรนะถูกใส่ความไปแล้วนี่ใช่แล้วจับได้ว่ากโกหกนี่นะลาตกบาลูลาหุมชาดาชาฮัดตันอาบัดะ ไม่รับการเป็นพยานของพวกเขาตลอดไปนะครับพี่น้องคนทาบาปทำชั่วนี่พี่น้องไม่รับเป็นพยานตลอดไปอย่างนงี้เห็นเดือนอย่างเงี้ยไปดูเดือนคนเดียวฉันเห็นเดือนเดือนรัมมดอนที่เข้าอ่ะเอ็งนี่เคยมีคดีมาแล้วในะเรื่องนี้ไม่รับการเป็นพยานของเขายกตัวอย่าง <c oughs> อ่าพี่น้อง ทนี้คำว่าเตาบ้าเนี่ยคนทุกคนทำทำความผิดหมดทุกคนมีความผิดตรงนั้นแหละแต่การเตาบ้าละอิสลาม เ, เป็นเรื่องดีฉะนั้นเมื่อทําผิดแล้วต้องเตาบ้าตัวและอิสลามปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีนะครับเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราก็พอใจแต่คนที่ใส่ความคนนี่นะ ถึงจะเป็นคนดีขนาดไหนนนั้มีอยู่เรื่องเดียวที่เขาไม่รับก็คือไม่รับการเป็นพยานไม่รับการเป็นพยานตลอดไปอย่างนั่งเป็นพยานนิกายเขาก็ไม่ให้เป็นพยานนั่งเฉยๆเขากินบุญประกันเองอ่ะองนั่งเป็นพยานเนี่ยอรรรดไม่รับนบีไม่รับนะอาแสดงว่าการใส่ความคนเนี่ยดีไหมไม่ดีนะครับ แต่นี้เมื่อเห็นว่าภรรยาเราทำผิดจริงๆผมแน่นานังเงี้นะก็ะเลิกกันไม่ได้อย่ยไปยุ่งกันแล้วเลิกอย่าไปยุ่งเปิดยากรัปะใช่ไหมเนี่ยเมื่อเขาไม่พร้อมจะอยู่กับเราใช่ไหมจะไปทำนั่งทะเลาะกันทำไมนะครับให้อาลอดจัดการไปนะครับเอาต่อมาอายาที่แปดนะครับวายาเดรอูอันฮาลาเซบ أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكاذبين و ي د ر و عن هالعذاب. อันตั้ง شهاد าอารบะชาฮัดาติมบิ ahu ل من الكاذبين อันยัดรอูร عنهلعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لا من الكاذبين. และการลงโทษอาซาบไปอาซาบก่อนการลงโทษให้ถูกโบยก็จะพ้นไปจากนางเช่นกันนี่พูดอีกเรื่องนึงนะ เรื่องผู้หญิงที่ถูกใส่ความหรือถูกปรักปรมว่าทำนู้นทำนี้แต่นางยืนยันว่านางไม่ได้ทำนางก็ต้องสาบานตนต่อ a ลล a h เช่นกันสามีใส่บ่เอกงทำดินะพยาบอกเปล่าไม่ทำทำไงละ่ะก็ต้องสาบานแบบแบบผู้ชายเมื่กี้นี่แหละ สาบานว่างไงนะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำฉันพูดจริงฉันพูดจริงฉันกี่ครั้งนะสี่ครั้งเหมือนกัน อ, กกอ่าดูดูอว่ายญาะรออุานฮลาซาและการลงโทษให้ถูกโบยก็จะพ้นไปจากนางเช่นกันญาดะรออู่แปลว่าพ้นก็จะพ้นออกไปการลงโทษถูกโบยก็จะถูกพ้นจากนางเหมือนกัน อันตัชฮาดาถ้าหากนางสาบานตัชฮาดาแปลว่าสาบานออยรบ่อาชาฮาดาตินสาบานสครั้งด้วยนามของอัลลอฮฺ سبحانه และุ้อุตะอาลัว่อินน ahu laminalka b ิ b i n แท้จริงสามีนพูดโกหก อันนี้ในกรณีที่ผู้หญิงถูกใส่ความด้านางว่าฉันไม่ได้เป็นฉันสะอาฉันไม่ได้ทำชู้ฉันไม่ได้แอบเป็นมีดีนากระไรพี่ๆละกกหบวิธีปกป้องตนเองก็คือมาสาบานเหมือนกันสาบานกี่ครั้งนะสาบานสี่ครั้งเหมือนกันพอครั้งที่5วัลขอมีสัจจานาวาบัลลอฮฺอัลลอฮอัลลฮา อินฺแค่นั้นไม่น่าศัดรีตินวัลข้ามิซาต์อันนั้งรับบัลละฮิัลลัยฮะอินค่ไม่นรขาบแปว่าขั้นที่หให้กล่าวว่าอันบ ให้ความเกลียววะบบแต่ว่าความเกลียวให้ความเกลียวเอาของอัลลอ์จงมีแกนาง น, นะครับคือผู้หญิงสาบานเองถ้าฉันถ้าฉันโกหกเนี่ยให้การให้อัลลอ์เนี่ยงดความเมตตากับฉันให้อัลลอ์ละนะฉันให้อัลลอ์ประทานอะไรนะความเกลียวโกรธให้แก่ฉัน อิงแกนามิโนโซดีคินถ้าสามีอยู่ในมู่อยู่ในมู่พูดพูดจริงพยานไม่มีแต่หากชายะนะชายการสาบานกี่ครั้งนะสี่ครั้งพอครั้งที่ห้าเนี่ยก็พูดว่าอลัลลอฮเนี่ยละนัดให้งดความเมตตาโดย อ, อ, ลอัลลอฮกริ้วแต่หากว่าสามีเนี่ยพูดจริง <c oughs> ดังนี้เป็นต้นนะครับพี่น้อง เรื่องการสาบานไปน้อง <c oughs> เป็นทางออกให้กับสอบ้านนาบีไปน้องที่เขาเห็นภ ร, รรยาทำผิดี่น้องไม่รู้จะแก้กันยังไงเอาล็อกับประทานอันกลัวอ่านอย่างนี้ลงมาเพื่อมาแก้ปัญหาทุกคนก็สบายใจนะครับเอาต่อมาครับอายาที่อายที่สิบ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. เล่าลาแปลว่าถ้าหากไม่ถ้าหากไม่มีฟ้าด ล, ลล้อแปลว่าความโปรดปรานของอ AH. ัลลอฮ์ถือโนงความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยรุนใหญ่อัลลอฮ์จะให้กับบรรดาผู้ศรัทธาต่ออ AH, นะัลลอฮ์เนี่ยอย่างเนี้ยอย่างการสาบานนะครับสี่ครั้งแล้วก็ห้าครั้งเนี่ยนี่เป็ความโปรดปรานนะ บางทีมีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้นี่คือการแก้ปัญหา <c oughs> ที่อัลลอได้ประทานให้เหมือนกันเหมือนกันเนี่ยการถือสั้อดเดือนรดอมาอลเนี่ย <c oughs> ในสมัยก่อนนี่นะหนักกว่านี้คนที่ถือบวชจนะหนักหนักกว่านี้เยอะแต่ต่อมาอัลลอก็ค่อยๆปลดปลดลงเหลือเบาลงเบาลงเบาลง เขาปลดล็อกลวขอยกตัวอย่าง <c oughs> ก่อนที่มูฮัมหมัดจะมาเนี่ยคนในสมัยก่อนเนี่ยอยู่ลาบากเวลาภรรยามีประจำเดือนสามีอยู่ในบ้านไม่ได้อยู่นอกบ้านภูเขาเข้าใจว่ากินข้าวหม้อเดียวกับภรรยาที่มีประจำเดือนไม่ได้ นอนบนที่นอนเดียวกันกับภรรยาที่มีประจำเดือนไม่ได้จับมือถือแขนภรรยาที่มีประจำเดือนไม่ได้สามใหญนี่สามราการก็หนักอยู่แล้วะรูชายจงอยูนนอกบ้านเราค่อยถามว่าประจำเดือนหมดย่างอยงนี้เป็นต้นเพราท่านนาบีมัดถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีปับคนยิ้มนี่แหละอูนี้ม่รู้ตัวดีมันก็ส่งคนไปหานาบี ล้วก็สั่งดูนะอย่าเรียกว่ามุฮัมหมัดเป็นนบีนะเรียกว่ามุฮัมหมัดอย่างเดียวอย่าใส่คำว่านบีมันกำกับชีวิตคนหมดนล้วนะถ้าพพูดว่านบีเดี๋ยวตามูฮัมมัดจะใหญ่จะโตเห็นไหมยาฮูดีนี่มัน อ, อร่อยมากในโลกดิบยาบนี้มันขวางทุกเรื่องเลยไปน้องไปถามนบีว่ายาสอาลูนากามเดินมาให้เรื่องประจาเดือนว่ายังไง น บ, บีก็ไม่รู้ไงนั่งรอสักพักหนึ่งวาฮีก็มามาจา่ชันฟ้าก็บอกว่าเมื่อประจําประจําเดือนของผู้หญิงมาเนี่ยห้ามร่วมหลับนอนกับภรรยาเท่านั้นเองยัสอาลูนักกานิลมาฮิดกุลฮุบะอัจจาฟะตัซิลนิซาอะฟิลมาฮิดประจำเดือนเป็สิ่งที่ศกร์กรกห้ามร่วมหลับนอนกับภรรยาขณะที่ภรรยามีประจําเดือน นอกนั้นทำได้หมดอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็ได้ทานอาหารหม้อข้าวเดียวกันก็ได้นอนอยู่บนที่นอนเดียวกันก็ได้แต่ห้ามอะไรห้ามแต่งงานห้ามมิกะห้ามร่วมหลับนอนอย่างเดียวอย่างอื่นทำได้หมดเลยโลกมไหมนี่งานโลกงอ่ะสถานอย่างนี้ก็เรียกว่าฟาดลุ ม, มินอัลลอฮ์เป็นความโปรดปานของอัลลอ์ปลดล็กอกสมัยก่อนนบีจะมาพี่น้อง ใครที่นอนคันคนที่นอนตอนกลางคืนเนะี่ยพอตื่นขึ้นมาหมดสิทธิ์กินอาหารนะทำให้กินแล้วเดี๋ยวนี้อัลลอ์ก็มาปลดลนะ็อกะให้กินได้นะครับจนกว่ารุ่งอารุณ์จะขึ้นอ๋อนี่มาปลดล็อกแล้วใช่ไหมนี่ถ้าจะฟ้อนดลุมอัลลอฮ์นี่เป็นความโปรดปานของอัลลอ์สุบฮานาอวละจะนอนกี่กี่ชั่วโมงก็ตามตอนกลางคืน ถ้าฟระติยังไม่ขึ้นเนี่ยทางอาหารได้ตลอดทั้งคืนแต่สามัยก่อนนี้ได้ไหมไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอัลลอฮ์มาแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้ในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัอัวัลลัมวะลาอูลฟอดุลลอฮิอาลกุมและถ้าหากไม่ใช่ความโปรดปรานของอัลลอฮ์แก่สุเาหาวะราะห์มาตุหู และความเมตตาฟัดรูเบลความโปรดปานรักมาแปลว่าความเมตตาของอัลลอฮ์โอเป็นน้องอัลลอฮ์เนี่ยเมตตานะนี่สอนให้เรานึกนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก็ความโปรดปานของอัลลอฮ์เอาแค่บวชอย่างเดียวเพื่น้องบวชเนี่ยได้ผลบุญเยอะ เรื่องอาเซอรเนี่ยได้เยอะมากพี่น้องแต่เรื่องดุลยานี่ก็ได้พี่น้อง ส, สุขภาพของคนที่ถือสันโอดเนี่ยดีหมดเลยเบาหวานลดไขมันลดลดหมดเลยพี่น้องหมอบางคนนี่หมอกาเฟสเนี่ยรู้ลุงลุงลุงบวชเยอะๆสิเบาหวานจะได้ลดไขมันจะได้ลดไม่ต้องไปกินยาเขาแนะนำพี่น้องเพราะเขารู้เนี่ยเขาอ่านอ่านจากตําราที่เป็นอิสลามเขาแนะนํา คนคนป่วยที่เป็นมุสลิมน่ไม่ถือบวชเยอะๆเนี่ยอะไรนะเบาหวานก็ลดไขมันลดลดได้หมดเลยเป็นเรื่องความร่ความจรลดหมดอย่างนี้เป็นตัวนี่เป็นความโปรดปรานที่อัลลอ์ให้บนโลกดุญยาสุดอาครอนนั้นเรามีรางวัลตอบแทนจากอัลลอ์เรียกว่าสวนสวรสด์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت อ ا ل ى ว่าอันน่าประอับแท้จริง อัลลอฮ์ต้าวาดอัลลอฮ์มีสิ่งฟตมีคุณลักษณะนิรโทษแปลว่าให้อภัยไม่เอาโทษยกโทษแต่ด้านคนที่ Allah อัลลอฮ์อภัยโทษให้เนี่ยก็คือคนที่ทําผิดถามพวกเราทําผิดไหมทําผิดทุกนันทุกคนพี่น้องผิดคนละอย่างละอย่างสองอย่างสามอย่างสี่อย่างฉะนั้นเดือนอมรดอนนี่เป็นแล้วก็เป็นเดือนที่อัลลอฮ์ลดโทษ คนที่ทํำบาปแต่มีเงื่อนไขนะเราจะต้องเป็นถือศีลอดด้วยนะต้องอ่านอัลกุรอา น, อานต้องวางตัวดีไม่ไม่ดินทาคนไม่ด่าคนไม่ทะเลาะกับคนต้องรักษานะ้ํามงนาะมาดพี่น้องทั้งหมดเหล่านี้นะเป็นเหตุทํำให้อลลอตเตาว่าอภัยโทษในความผิดของเราพี่น้องคนถ้าไม่ผิดเลยเนี่ยตาบ้าตัวไม่อร่อยเหมือนกันนะใช่ไหมนี่พรุก ถ้ารู้ว่าตัวเองผิดนี่อล๋อตะ บ, บ้าตัวมันจริงๆ จ, จะร้องก็อร่อยจะลุกขึ้นมาตะฮัดยืดก็มีแรงอ่ะโอ้ฉันนี่ตอนหนุ่มๆ น, น, นี่อร่อยจริงๆริง บ, บ้าตัวเลยทำเลยๆแต่นั่นคนที่ผิดแล้วต บ, บ้าตัวเนี่ยมันอร่อยมากนะครับละทุกมีใครบ้างที่ไม่ผิดผิดทุกคนทุกคนนบีมีน้องอยังทําผิดเลยเช่นน บ, บีนูนะ่น่ะนู่นไปวรอ้องไห้ร้องไห้ตลอดเลย ก็ทำอะไรผิดผิดก็มีแค่ท่านมีอยู่คนเดียวที่ไม่ผิดนบีมุฮัมมัดสุลมุสลัมเพราะอัลลอฮ์มะซูมรักษาไว้นะครับไม่มีความผิดนะครับว่าอันนัลลอฮ์ตว่าแท้จริงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเนรโทษเนรโทษโดยปราณีอยู่ในพินองเนตัซินอธิบายไว้นะแก่ผู้ที่สารภาพผิดอัลลอฮ์เตาบาตัวรับการเตาบา กับผู้ที่สารภาพผิดต่ออัลลอสุบฮานหู ว, วตาละการเต้าบ้านนี่มันมีอยู่หรายการนั่ น, นึ่งเสียใจสองถอนตัวออกจากความผิดอันที่สามไม่หันกลับไปทำความผิดเหมือนเดิมข้อที่สีเลือกคบคนดีๆข้อที่ห้านี่ครับมันเรียนอ่านอัลกุรอานศึกษาความรู้จากคดีจากคุณอานเยอะๆ อีกชอลวะนะครับการกลับตัวของเราจะมีรางวัลเยอะมากไปน้องอย่าลืมนะเลือกคบคนนะคนบนทุนญานี่เยอะนะเลือกคดคนคมดีๆเอาไว้ไปน้องเอาไว้คุยกันปรึกษาด้ือกันคนดีมันจะพาเราไปน้องจะคิดในเรื่องดีและทำตัอเรื่องดีๆคุณจะจับกลุ่มกันนะนะกลุ่มนี้เป็นคนดีอ้าจับกันไปหาคนสิบคนค่อยๆหาเพิ่มเรื่อยๆไปน้อง เป็นสิบคนยี่สิบคนถึงสามสิบคนถึงร0อยคนนะอัอามาอีกคำหนึ่งหากีนมุลเป็นสิฟธตของอัลลอฮ์หากินแปลว่าทรงรู้นะั่นแหละแปลว่าทรงปรีชาญาณ น, นะครับอัลลอฮ์ทรงรู้ดีว่าที่อัลลอฮ์ประทานบัญญัติมาเป็นหลักการเนี่ยเพราะอรารู้ดีว่ามนุษย์เนี่ยต้องการหลักการต้องการความจริงต้องการความพิสูน์ได้ด้วย Allah อัลลอฮ์ก็ให้หลักการมา คดั้งสุ่ยฟัดของอัลลอ์สองข้อจากอายานี้ก็คือ Allah อัลลอส์ทรงรับการเตาบ้าของคนที่สารภาพผิดและอัลลอ์ก็ประทานหลักการมาเพื่อ น, นำท่านพี่น้องเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันนะครับต่อมาอายาที่11ออายานี้ยาวมากนะครับพี่น้องไม่ยาวแต่เรื่องมันยาวนะอินนัลลดีนจาบบิลอิฟ عصبة م ุมมิงคุมลาถ حسب و ชั ر ร ل ะคุมบัลฮุวาขัยรุลละคุมลิค ت ลิมริมินห ا ل ักตัสบามินอัลอ له عذاب عظيم إن الذين جاءوا بالإخضبتم ن ك م لا تحسبه و شر ا لكم بل هو خير لكم لكل ا م ر ئ م ن ه م مك แตสบบ์ในอิสลามว่ี่วัลลัคบะรุมินห์ม له عذاب عظيم الحمد لله الله بنا آ ยาเนี้ยยาที่สิบเอ็พูดถึงท่านหญิงอาิชาพลายท่านนบีมุฮัมมัดสุลล็อห์อิบราฮิม เหตุเกิดขึ้นกับนางดูคำแปลก่อนครับอินน <ess> ัลลาดีนอาจ่าอูบิลอิฟกิอินน่าแปลว่าแท้จริงอัลลาดีน่าบรรดาผู้ที่จาอาจ่าอูแปลว่านำมาหรือว่าปั้นปั้นเรื่องปั้นเรื่องอัลอิฟอิฟแปลว่าเรื่องเรื่องเท็จ นำเรื่องเท็จแท้จริงบรรดาบรรดาที่นี่ก็คือพวกสับหับไม่ใช่มุมินมุมินจะไม่จะไม่ปั้นเรื่องเท็จมุหมินทั้งหมด ท, ทั่วโลกเขาจะไม่ปั้นเรื่องนะครับเขาจะไม่ปั้นเรื่อง แต่คนที่ปั้นเรื่องเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนมูนาฟิกคนที่ إ ي م านอน่อนคนไม่เอาศาสนาคนที่เกลียดอิสลามเกลียดนบีมุฮัมมัดเกลียดครอบครัวนบีมุฮัมมัดนะครับก็จะปั้นเรื่องเท็จเพื่อจะทําลายครอบครัวนบีทําลายนบีไม่สําเร็จเอาทําลายภรรยาดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะส่วนใหญ่เป็นคนมูนาฟิก คนสับตรับไปน้องแท้จริงบรรดาพวกมูนาฟิกพวกสับปรับนั้นเป็นผู้ปั้นเรื่องเท็จเกี่ยวกับท่านหญิงอาฮิชะระดิอัลลอฮนฮานอุสบะตุนแปล ว, ว่ากลุ่มมิงกุมจากสูเจ้าคนที่ปั้นเรื่องเทนะ็จน่ะคนเดียวไม่กล้าครับมันต้องอาศาัยพวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอยู่สี่คนไปน้อง แต่สีค่คนะมีชื่อนะทั้งที่ผ่านมาแล้วหนึ่งพันสรอยกว่าปีดูชื่อแต่ละคนนี่ไปน้องหัวหน้าคนโุนาฟิกชื่ออับดุลลอชื่อเพราะไหมบ่าวของอัลลอฮ์ชื่ออับดุลลอห์เห็นยั ง, ยงเป็นมุนาฟิกหัวหน้าโมนาฟิกไปน้องอับดุลลอห์บินอูบยัยอิบนุซาลูลนี่หัวหน้าโมนาฟิกเลยไปน้องแล้วใครจะจะสงสยัยชื่ออับดุลลอห์นี่ไปน้อง หาสมัยนี้ก็เรียกไอ้ล้อใช่ไหมอับดุลลอเป็นน้องชื่อเพราะมากหัวหน้ามูนาฟิกเป็น้องครับแล้วก็รวมตัวกันอีกสามคน้นองเป็นมุสลิมหมดเลยอ่ะเป็นแขกชื่อฮัสซานบินซาบิตนี่ก็มุสลิมแล้วก็มิสโตห์บินอศาซาสะมิสโตห์มิสโตห์ตนี่ก็เป็นแขกนี่เป็นญาติ ท่านนาย Abu b a ท่านหญิง Aisha นี่เป็นลูกสาวของท่าน Abu Bakr ยุลลอห์อันหุแล้วก็แต่งงานกับท่านนาบีนะครับหญิงไอาชานี่นะท่านมิสตาเนี่ยเป็นญาติใกล้ชิดอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อคำนะคำนะคำนะพีนะ่น้องบินเตอยัสสามคนนี้รวมกับอัมดุลลอห์สุดเป็นหัวหน้าโมนาฟิกรวมกันแล้วสี่คน ผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งออลลี่น้องกลายเป็นอุสบะกลายเป็นกลุ่มเป็นพวกคําว่าอุสบะ น, นี่ไปน้องตั้งแต่สองคนสามคนขึ้นไปถึงถึงสิบคนเรียกว่าอุสบะเป็นกลุ่มนี่ตับเซกรุรอ่านอธิบายละเอียดนะทีนี้มีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนี่ไปน้องปั้นเรื่องเท็จใส่ท่านหญิงอังอิชาตัาลลาวเดียวรอันแาหรือไม่ใส่ใส่ความว่าไง ใส่ความว่าไปทำชู้เห็นไหมเล่นนบีไม่พอแล้วเล่นภรรยานาบีอีกเรื่องตั้งพันสี่รอยกว่าปี อ, าาอัลลอบันทึกในคัฟีกุรแอนเลยนางเนี่ยไปทำสงครามสงครามวันนั้นเป็นสงครามระหว่างมุสลิมกับคนกาเฟรชื่อว่าสงครามบานีมุสตลั อยู่ห่างจากมาดินมาดนะประมาณแปดเก้าสิบกิโลทุกท่านเขาวางแผนจะจัดทำลายมาดินนะพวกกระฐอารับมุสลิมกินที่อยู่มาดินอยู่ที่มักกะเนี่ยพายุบอกตีเลยตีนครมาดินนะเลยพู้นบีรู้ข่าวนาบีก็ส่งคนไปสอดแนมว่าอโคลี่มันมาจริงพอมาจริงนบีส่งซ้อบ้าไปเลยพี่น้องไปปราบปราบข้างนั้นชนะ ศัตรูของอิสลามพวกบัน้มุสตอริกรเสียชีวิตไปสิบคนก็ทําสงครามกันเสียชีวิตแค่สิบคนแต่อเมริกาไปยึดอิรกักตายเป็นล้านอ่ะเอาสงครามไหนก็นดีกว่าการเป็นนองมีบรากาศกว่ากันสงครามสมัยท่านนบีมีบรากาศเยอะตายแค่เจ็ดคนแปดคนสิบคนถือว่าเยอะแล้วแต่สมัยนี้โอ้โตายเป็นแสนอ่ะเป็นล้านอ่ะเห็นไหมเห็นยังครับ เมื่อซีเรียเนี่ยไปเนาะคนที่ตายใครมุสลิมผู้อิมานตอรอศรัทธาตอรตอรตายคนที่สังฆฆ่าก็คือปัฒนาธิบดีซีเรียเนี่ยกับหัวหน้าใหญ่ปูตินสองคนนี่ไปเนาะทำลายพี่เลี้ยชาวบ้านชาวบ้านตายหมดถูกลุกระเบิดตายหมดไปเนาะผู้ที่ตาย شهيد หมดในอนิสราลเอลนะเอาต่อมาครับ อินนัลละีน ajaubil ifki ع ตุมมิ م กุมแท้จริงบรรดาพวกสับปรับผู้ปัน่นปั้นเรื่องเท็จเกี่ยวกับท่านหญิงาอชาเรเดียลลอ้อันฮานั่นคือพวกกลุ่มหนึ่งกลุ่มน้อยๆกลุ่มหนึ่งของสูเจ้าเอา ล, ล็อชี้ให้เห็นนะครับพอมีสองคนพป่น้อง ชื่ออะไรเนี่ยชื่อฮัสซานชื่อมิสต์เราไปทำหน้าด้วยพี่น้องอลัลลอฮฺสอนนะครับลาตา ส, ส, สับบูชรรุลละกุมจงอย่าฮัซับยาสับูอย่าคิดสู่เจ้าอย่าคิดว่าเป็นการชั่วของสู่เจ้าการใส่ร้ายพี่น้อง อย่าคิดว่าเป็นเรื่องชั่วนะลาตาสาบูฮูซารลัลกุมนี่มาใจาฟากฟ้านะประธานกนนาับบีมุ h a m m a บอกว่าที่พวกคุณถูกเล่นงานโดยกลุม่มอาดามูนาฟิกมีอู่สี่คนนี่ไปน้องอย่ามองเป็นเรื่องชั่วนะบัลฮูอะคอยรุลละกุมแต่มันเป็นการดีสำหรับส่เจ้า เร า, าเตือนให้รู้ว่าทําไมว่าเรื่องถ้ามองปเป็นเรื่องดีเพราะไอ้เรื่องมันมันมันมันปั้นเทศขึ้นมาเนี่ยมันจะเรื่องจริงเรื่องกุกุบั้นเทศใสความพญานาบีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นการได้รู้เลยว่าใครบ้างที่เป็นตัวแสบๆวันนั้นทําให้รู้หมดเลยว่าอ๋อมีอยู่สีคนนี่เอง อับดุลลอ์คนหนึ่งและหัวหน้าคนมูนาฟิกเป็นคนเลวอย่ามองเป็นเรื่องว่าเราเราไม่ดีนะปุ่มนั่นน่ะไม่ดีต่างหากเลยแต่ท่า น, นแต่ไอเรื่องการใส่ความเนี่ยพวกเราเนี่ชอบนะคนที่ไม่เรียนศาสนาคนที่ไม่อ่านคัมภารชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเนี่ยชอบเรื่องใส่ความกันใช่ไหม พอจะยินปับเชื่อเลยใช่แล้วบ้านนี้โอ้โหรอยเอร์เซ็นมันเช็นมันเร็วเห็นไหมระวังนะไอพูดโดนไม่รู้เรื่องเนี่ยอยู่ในเครือข่ายเดียวกันอะ่ะน่้นระวังให้ดีไปนอ้องเวลาฟังข่าวออกมาเรื่องไม่ดีเนี่ยตรองก่อนพูาบวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นึกในใจบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชนะครับต้องนึกดีต้องนึกดี บัลฮูว่าค่อยรุนละกุมแต่มันเป็นการดีสำหรับสูเจ้าอัลลอ์เป็นน้องเห็นอย่างกับในกุนอ่านนะสอนนี้เราคิดนะได้ยินข่าวอะไรเขาปั้นเขาเรื่องปั้นกันมาเท็จกันมาใส่ความกันทำลายกันพป่น้องเราเป็นคนฟังนี่ต้องไว้หูนะรับรึ้นเน่ปฏิเสธขึ้นหนึ่งเลยเป็นน้องอย่าเพิ่งไปรับอะไรหมดพป่น้องต่อมาครับลิกุลิมรีมินหูมัก i ้าซาบามินว่าทุกๆอิมรีอินแปว่าคนสำหรับทุกๆคนล i กุลลีมรีอิสำหรับทุกๆ ค, คนคืออัลอิสแปลตรงนี้ก่อนนะครับมินัลอิสมเขาได้รับการลงโทษ มักตาซบ้าที่เขาด้วยขวนขวายเอาไว้ทุกคนที่ทำอะไรผิดได้รับการลงโทษจากอัลลอ์หมดเห็นไหมนี่ตรงการจะบอกคนที่อ่านกรุรานนะลิกุลิมรีอิมมินหุมมักดาซาบามินัลอิสมความบาปที่เขาทำเอาไว้ทุกคนจะได้รับการลงโทษเท่าที่บาปของเขาได้ทำเอาไว้เห็นไหม แล้คดีนี้เป็นคดีใหญ่ทําลายครอบครัวนบีและคนที่ทําลายเนี่ยจะมันจะรับโทษหรือได้ครับเอาผมขอยกตัวอย่างคนเดียวพอนะท่านมิสตอร์เป็นญาติของท่านอบูบักตูดิยอลของอันโดไความลยบ่ายิงอชาชชานี่ทำชู้ต่อมาทั้งบดเนี่ยถูกถูกถูกโบยหมดเลยนะคนละแปดส8บ80ดบดบหมด ต่บ้าตัวแล้วอะไรแล้วแต่อัลลอ์ก็จะตามเล่นงานอีกมิสต้นี่อัลลอ์เล่นงานยังไงรู้ไหมให้ตาบอดตอนแก่แจเนี่ไปนะตอนหนุ่มนี่ตาสว่างตาดีผมอ่านจากตับซิดอิบนุกะซิดแล้วเตซิดมาวดัดดีสองเล่มเขียนเหมือนกันว่าท่านมิสต้นี่อัลลอ์เอาสายตาไปพอแล้วก็พอไปดาพระยานาบี แค่นั้นใครที่ทาความชั่ววันนีน้อย่าเพิ่งลอยนวล น, นะแค่นั้นต้องสํานึกตัวเยอะๆฉันเนี่ยทาลายใครบ้างหรือเปล่าเนี่ยตัวเราเองเนี่ยทำลายกี่คนแล้วแล้วเขาจริงหรือเปล่าต้องตาบ้าตัวนะทําให้ตาบ้าตัวเนี่ ย, บบยอโลวัควาตนักงานดุนยาอโลให้ตาบอดแล้วอาขี้รอกดกันนานไหนนี่เป็นข้อเตือนใจ อ่านกูนอ่านได้ข้อเตือนใจนะครับลิกุลิมรี ม, มินหุมมักตาสบามินาลิสมิคนทำบาปทุกรายการทุกคนจะได้ตามที่เขาได้ทำเอาไว้อามาดูคนทำดีบ้างยกยกตัวอย่างคนทำดีท่านหยินอัสมา เป็นน้องสาวท่านหญิงไอาชาลาติยาลลอห์ของอนานาเป็นลูกสาวท่านอบูบักเนี่ยช่วยนบีก็ช่วยคุณพ่อวันที่เดินทางอพยพจากมักกะไปมดินาเน่ะก็มีผ้าคาดเอวฉีกผ้าสองชิ้นอภ่าที่ฉีกเนี่ยหอเป็นอาหารไป น, น้องแบบเป็นโตนะแล้วก็ให้ไปฉีกผ้าตัวเองให้ถือเป็นหาเป็นเสะเบียง อพยบพบิณ ong ความดีอันนั้นนายบิณ ong อ, อัลลอฮ์ให้ฟันของท่านหญิงอาสมาเนี่ยไม่หักนะอายุต้องร้อยกว่าร้อยกว่าปีบิน้องคิดดูสิอายุเยอะแล้วนะฟันไม่หักเลยสักซีนะ่บรรดาอุลเลาะม่าเขาเขาก็วิจัยกขาบอกเนี่ยเหตุที่นางฉีกผ้าช่วยงานท่านอบูบักคุณพ่อแล้วช่วยงานท่านนาบีให้อพยพจากนครมักกะ ไปนะครเพื่อรักษาอิสลามอัอลลอฮ์ก็ตอบแทนรางวัลนนะเราไม่ยกตัวอย่างคนปัจจุบันนี่นะยกตัวอย่างคนรุ่นก่อนๆดีกว่า <c oughs> แต่เป็นเรื่องจริงไ ห, หอเรื่องจริงทั้งหมดครไปนอนดังนั้นคนที่ทํางานาศาสนาเขาอลอยนะสง่างามหลักคนที่ต่อต้านอิสลามอัอลลอฮ์ก็ให้ความสง่างามเหมือนกห้ตาบอดนี่ยใช่ไหมมันก็รออีกอีกบางอย่างนี่ น, นะรอรอร อ, อแบบคนมือนอฟัฟกัน เอาต่อมาครับน้อง والذي توالك بهم منهم สำหรับทุกคนส่วนบรรดาผู้ที่มีบทบาทต้วัลลานี่ยแปลว่ารับบทบาทหัวหน้ารับบทบาทใครอัมบุลลอบินซาลูนใช่ไหมคนนี้แหละเป็นหัวหน้าเลยรับบทบาทอันยิ่งใหญ่ อัลลอฮ์จัดการหมดไปน้องคีดบราวูมากรับบทบาทอันยิ่งใหญ่นี้พี่น้องในเรื่องนี้มินฮุมจากพวกเขาละหูอาจจะบุญอาริมสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันยิ่งใหญ่บนดุลยาอัลลอฮ์ไม่มีปัญหาครับี่น้องยกเวน้นมิสโตคนเดียวอัลลอฮ์ให้ตาบอดนอกนั้ น, น, นบนดุลยานี้อัลลอฮ์ไปลงโทษไปน้อง อยู่แบบสง่างามแต่ไปถูกเล่นงานไหนในกูโบในกูโบถูกหมดครับไปน้อง <c oughs> คนที่ทําบาปไปน้องถ้าเต่าบ้าตัวต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ให้อภยัยแต่ถ้าไม่แต่บ้าตัวต่อ AH, อัลลอฮ์โอ้ถูกเล่นงานหนักจะนั้นในคัมีร์นจะอธิบายอย่างนี้ คนกาเฟสเนี่ยไปน้องทําเป็นกาเฟสจนมาทั่ตายเป็นทําไมเออเป็นสักห้สิปีก็พอแล้วที่เหลือเป็นมุสลิมไปเรียนศาสนาไปรับอิสลามมารู้จักอัลลอฮ์ไม่ดีกว่าหรือเพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของโลกจริงๆอส่งน บ, บีมูฮัมมัดมาจริงๆอส่งอัลกุรอานมาจริงๆ ม, มีใบตัวลอรจริงๆที่เห็นอยู่ที่ไปน้องมันเรื่องจริงทั้งหมดนะไปปฏิเสธทําไมอ่ะอย่างนี้เป็นตัว อาพี่น้องต่อมามีคําอธิบายพวกอันตะตับเซตหลายเล่มในพี่น้องนะความประเสริฐของท่านหญิงอาอิช่ามีเจ็ดข้อพญานาบีมีความประเสริฐทั้งหมดเจ็ดข้อครับข้อที่หนึ่งก่อนที่ท่านหญิงอาอิช่าจะแต่งงานกับท่านนาบีท่านเิบิรีลอะลาฮิสลามเนี่ยลงมาหาท่านนาบีได้นํารูป ของทายิงไอาชาเนี่ยเอาวางไว้ในผ้าในผ้าไหมแบบโทรศัพท์ไแล้วไปน้องผมนึกเอาเองนะแบบโทรศัพท์เนี่มยมออผู้นบีพอผูนบีเปิดเปิดปัาบเจอรูปทายิงไอชาตุวลงว่าส่งรูปทางทางอะไรทาง c ฟ b o o k กแต่ทาง l ลน e ก็ได้ไปน้องคนที่ใช้ Facebook คนแรกคือท่านนาบีมุฮัมมัด ใครส่งมาให้ท่านยิบบรีอัลลอฮิสลามหลังจากน บ, บีชายมาแล้วพันสี่ร้อยปีภูราผงชยัยอ้าวใครใครจะแน่กว่ากันเป็นยังครับเดียน้องท่านอย่าปะตะทับดบเลยว่าฉันแน่ไม่ใช่น บ, บีชายมาก่อนเฟซบุ๊กออนไลนเรื่องที่สองครับนี่หะ ด, ดิสอิมามติกมีรีข้อที่สองท่านหญิงอาชาปเป็นภรรยาของท่านน บ, บีคนแรกที่เป็นหญิงสาว นอกนั้น น, นบีแต่งงานกับหญิงไม้ไม้ไมา ม, า ม, า ม, ามาอายุเท่านบีเท่า น, บ, า น, บ, านบีทั้งหมดแล้วฝรัง่งว่า น, นบีเซ็กมีเซ็กแรงใครบอกถ้าเซ็กแกรนบนตัวเลือกสาวทั้งหมดใช่ไหมน่ะนี่ไปเลือกอายุอ ย, าย่างหญิงไอายาอุย่างแ ก, กน่นบีกี่ปีอย่งยีปีแล้วเซ็กตรงไหนอ่ะอ้าวฝรั่งแก้ได้ไหมล่ ะ, ะแกไม่ได้บุรุอๆๆๆๆๆย่างนี้เป็นต้นเรื่องที่สามครับท่านนาบีบรสุลแลมเสียชีวิตที่บ้านท่าหญิงไอายชา แล้วก็ฝังที่บ้านยิงไอาชาเลยโปรเชียต่อต้านถนนยิงไอาชาถนนของท่านของนางเองเสียที่นั่นเรื่องทีเซเป็นน้องทางหญินท่านนาบีนี่ยเป็นน้องครับเสียชีวิตบนตักทล า, ายินไอชาตระเตรียมรอของอันหะนางเห็นอะไรเยอะตอนท่านนาบีจะเสียชีวิตเนี่ยนบี แบบแบบทรมานนะะขนาดนบีถูกแล้วเราไม่ถูกอ่ะพี่น้องานั้นนบีเลยสั่งบอกว่า um อาัลลอฮุมมห้วินอาเลยะมินสคาร์ตินมาอัเอตอัลลอฮ์ขอให้อยู่ชีวิตของฉันเนี่ยวิญญาณเนี่ยออกจากร่างแบบง่ายๆพี่น้องเห็นอย่างครับริงอาชาเห็นเหตุการณ์โอ้โท่านนบีคนช้างจะทรมานฉากนั้นใครก็ตายถ้าเสียชีวิต หลังจากนาบีมองไปเรื่องเล็กหมดเลยอาต่อมาข้อที่ห้าว่าฮีกับอัลลอฮ์เนี่ยประทานลมาให้กับท่านนาบีบางครั้งนะครับนบีก็ยิงอาชาอยู่ในผ้าหม่มผืนเดียวกันก็มีเป็นคนแรกพญาท่านอื่นไม่มีโอกาสได้รับตรงนี้แต่ยิงอาชาเนี่ยอยู่กับท่านนาบี อยู่ในพระห่มผื้นเดียวกันที่หน้าหนาวต้องห่มผ้าใช่ไหมว่าฮีมาขณะที่อยู่ในพระห่มผื้นเดียวกันถือว่าเป็นบรารักาเป็นความดีครับข้อที่หอัลกรุรอานประทานลงมารับรองความบริสุทธิ์ของท่านหญิงอาอิชาสิบอายะสิบอายะไปน้องฮามดุลิลาไปน้อง แล้ววันนี้ยิงอาชาติยังต้องถูกตำหนิถูกด่าจากพี่น้องของเราพี่น้องให้ประเทศอิหร่านทั้งหมดนี่มันจะหมดแล้วกลุ่สูนหน้าก็มีว่าไม่ดี น, นี้เป็นต้นกุรอานรับรองาดีแต่มนุษย์ว่าไม่ดีเชื่อใครอ่ะคืออัลลอฮ์จะเชื่อเ ช, ชื่อมนุษย์ก็ใช่ใช่ปัญญายเองนะครับต่อมาข้อที่เจ็ดนะครับพี่น้อง ท่านหญิงอยชาบเป็นลูกสาวของท่านอบูบกักซึเป็นคอลีฟ้าของท่านนาบีอัลลอฮฺทรงสัญญาว่าจะได้รับการอภัยโทษและรับริสกีเครื่องยังชีพตั้งแต่อยู่บนโลกดุนยาเจ็ดข้อนี่คือความประเสริฐของท่านหญิงอายชาเราจะลอวัออนนั้ในตัฟีซอิฟบุตูบีไปน้องเขาบอกคนที่ถูกใส่ความ คนที่ถูกใส่ร้ายว่าทำเซนาเนี่ยมีทั้งหมดสามคนอัลลอฮ์คุ้มครองหมดเลยนะคนที่หนึ่งนบียูซุฟอะัยฮิสลามถูกใส่ความว่าทำเซนาใช่ไหมที่เสื้ อ, อาขาดข้างหน้าข้างหลังคนะุณน้องนั่นแหละแล้วเป็นไงคุณน้องอัลลอฮ์คุ้มครองนบียูซุฟนบียูซุฟไม่ได้ทำเซนาผู้หญิงต้องการที่จะทำเซนาตัางหากอัลลอฮ์คุ้มครองนบียูซุฟเอาไว้ คนที่หนึ่งห่าง ก, กันกี่ปีไปน้องอย่างน้อยหลายร้อยปีนะเรื่องที่สองท่านหญิงมารยาห์อลยฮิสลามมากของนบีอิาหลาฮิสาลามตั้งคันโดยไม่จะทำซินานะอัลลอฮ์เปล่าวิญญาณให้นบีอาิสมาอยู่ในท้องของนางเรญยามไม่ผ่านพา่อผ่านแม่อย่างเดียวเนี่ยนางก็ถูกใส่รายว่าเองไปทำซีนามา อัลลอ์ให้นบีอีสซาพูดต yup. Walk, said, ั brackets, shouting, oh ้งแต่อยู่ในเปรบอกไม่ใช่ฉันเ่เป็นบาวของอัลลอ์โอ้โหพปน้องนั่นแหละอัลลอ์รับรองปลอดภัยถึงความสะอาดของท่านหญิงมารยยมอเลย์อุสสาลสองคนแล้วนะคนที่สามท่านหญิงอชาจาเดียร์รอของอานาเป็นน้องถูกกล่าวหาว่าทำซืนะแต่อัลลอ์ได้ประทานอันกรุณรับรองมาถึงสิบอายด้วยกัน ในโลกนี้มีคนถูกเล่นงานมาแล้วเป็นคนสำคัญหมดเลยไป น, น้องอับุยูซุฟสำคัญไหมสำคัญนางมารยามสำคัญไหมสำัทายิกในชาสำคัญไหมสำคัญหมดเลยเล่นหัวหน้าเลยบิ๊กบิบนี่ศัตรูของอิสลามเห็นยากไปน้นองอลัลลอฮ์คุ้มครองไหมคุ้มครองแล้วพวกเราถ้าจะถูกด่าบ้างทาใจได้ไหมทาใจได้ครับี่น้องต้ลายไน้อง จะหมดเวลานา้เพ่อน้องอ่นดูเรื่องเรื่องเรื่องสงครามมุสลักที่ไปทำสงครามครั้งนี้เนี่ยนาเพี่น้องชนะแล้วก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในฮิจรอตที่หกน บ, บีอพบยพยจากนครมักมกะไปจิมตนะิยาได้หกปีก็เกิดเกิดเกิ ด, เ ก, ดเกิดสงครามอันนี้แพ้คนกาเฟดแพ้มุสลิมชนะพวกบานนีมุสลิมนี่เพี่น้องเท่าไหร่ ตาไปสิบคนแล้วก็เป็นที่น่าชื่นใจก็คือว่าชนะครั้งนี้นะครับเป็นองละลายนะครับมุสลิมได้แพ้กับแกะมาประมาณห้าพันตัวแล้วก็ได้อูดมาสองพันตัวเนี่ยนะไม่อยากสงครามเลยแต่จำเป็นต้องทำสงครามพอสงครามแล้ว ได้มาแบบง่ายๆอูดกี่ตัวนะ2000แพะกะแกรวมแล้ว5้0 0ตัวเมสวบ้านอบบีมยตายสักคนหนึ่งนนู้นตายเท่าไรสิคนให็มไหมพี่น้องเล่าแค่นี้ก็พะเวลาหมด س ตลุมมติฮมดิาฮอลลอิลอิลลอัสตัฟรุกะวะตบอิลัยกุสสลามอัลัยกุมะราะมัตุลลอฮิอัากาต